กราจารยขอให้ขึ้นถามน่เออคือพวกเราที่มากัเนี่ยพอเห็นชื่อมันก็น่าสนใจการท่องสงชีวิตผมก็มามาขึ้นคขารู้สึกว่าเออมันน่สนใจมากใช่หมถ้าพวกเราที่ทราบบางดียร์อาจารของท้จะดูว่าคนเราอาจจะเป็นได้สามมิติใหญ่ๆอ่ะอันที่หนึ่งคนเห็นงเราเป็นคนยังไงทฤษที่สองก็คือเราคิดว่าเราเป็นคนงไงทฤษฎที่สาที่เราเรียนถามจแล้วขอ มรู้จักคือว่าจริงเรเป็นคนยังไงนะครับก็แค่สิ่งที่ไม่เชืการพูถึงในการุึเนี่ะห่ว่าสิ่งที่ดกๆบาคือจิตของเราวิสตของเราอาจจะทำให้เรหลงทางได้หลังจที่ไราศึกแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยเราจะาที่ะได้คนที่มาช่วยี้เราเพื่เสริมความคิดของเราหรือว่า ถ้าทใสาติปติของเาตนนี้เนี่ยีวามตงม่นถ้องแอททางได้นะครับที่าลถแต่ไม่ได้มี้ิธีการดเมื่อวันนี้ผมก็ได้ครอบชดงในนี้ไต่ไปคุณแน่ทัขอความ่วหน่ับ่อนกว้างของพระเจ้านะฮะเป็นหลักประกันที่สำคัญมากเช่นคำดืนยันว่าจำเดิมตั้งแต่ตรัสรู้ จนฟรินิพานนะครับตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตเท่าที่ชีวิตมีอยู่เราสอนในเรื่องทุกข์และความดับทุกข์นี่เป็นหลักประกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับเพื่อการไม่ให้ภาษาวกกรดีหรือผู้ที่มาภายหลังเนะียเข้าใจเขว่าปฏิบัติเพื่อยอย่างอื่นเมื่อคนรปฏิบัติเพื่อกระทําความทุกข์ทรมานในจิตใจให้สิ้นสุดนะค้ับเขาจเป็นผู้ถ่อมมากครับไม่อยากได้ฤทธิ์ไม่อยากได้เดชไม่อยากได้อะไรนะั้นคือเอาความไม่มีความทุกข์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 ศา ส, สนาในความรู้สึกและคิประชาชนก็คือทำดีละชั่วซึ่งเป็นอุดมการณ์ดังนั้นเลยครับเหมือนกับประชาชนใจในความรู้สึกของประชาชนแล้วในบางขั้วของความรู้ระดับนั้นอาจจะสูนทางคําสอนที่แท้จริงของพระเจ้าได้นะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ขั้นอดีตเขาเชื่อมโยงสองสิ่งนี้ได้ครับที่มาเกิดผู้รู้ขึ้นที่เรียกว่าระยะบุคคลในระดับต่างๆ ท่านจะสามารถเชื่อมสองขั้วนี้ได้จากศาสนาในความเชื่อของประชาชนกับคําสอนให้ถึงที่สุดทุกคนมันเชื่อมันอย่างไรนะครับแต่ในช่วงใดที่วัฒนธรรมเฉยนิ่งขาดผูดรู้เป็นสะพานเชื่อมโยงสังคมนั้นผมจะหลงทางกันนีอครับเป็นหลงทางเอาผู้พิเศษวิโส ห, ห่อเหินลือข่าวเลยเข้ า, ขาเป็นข้อเท็จจริงนี้มานเะนี่ยนั้นผมอาจจะเริ่อมใสพระรูปหนึ่งเพราะข่าวเรือเหาะได้ผมเลื่อมโล่งลงจนกรทังความเป็นคน สติปัญญาที่เดิพอจะมีบ้างไม่ถูกใช้สติปัญญามีความสําคัญมากนะเมื่อไม่ใช้มันก็จะมืดในเรื่องวิปัสสนะครับเมื่อรู้ตัวแล้วก็จะรู้ยิ่งขึ้นครับเมื่อไม่รู้มันจะไม่รู้ยิ่งขึ้นครับไม่ใช่เท่าเดิมเนอะทีนี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามาลองนมลายแล้วมันจะทุีขึ้นครับมันจะทวีคูณขึ้นมันจะแผ่ขยายเหมือนเชื้อแบคทีเรียครับ ตัวของตัวห้าวันนี้เป็นร้อยเป็นพันเลยครับตัวคำถามนะครับที่ว่าแต่ผมถึงจับประเด็นไม่ได้หรไม่ครับท่านไที่สให้เรารู้ว่าตัวรนคก็อยากให้คนระโยตัวเองเท่ากันทถึงนไม่กระตงนอหังตหรือตัวเองเป็นผู้พิเศษอะไรอย่างนี้นะครับคำตอบมีหลายระดับนะครับผมจะตอบตามความรู้สึกในทิตนผมนะ ตั้งความเข้าใจของผมคือตัวเราคือธรรมะนั่นเองครับตัวจริงลองคือตัวธรรมะนี่นเครับถ้าให้ขยายอย่างย่อคือคือความรู้สึกที่ดีงามดูง่ายนิดเดียวครับแต่ผมไม่ได้พูดถึงการภาวนาเนละคือมันได้ที่ความรู้สึกดีงามมาันั่นแหละธรรมะร า, ก, า ก, ก่อนแล้วมันยิ่งกว่ากัตตัยทีโด่เลยครับความรู้สึกที่ดีงามเลยครับแมันเกิดที่ไหนเป็นตรงนั้นเพราะว่าชีวิตของเราเป็นอนั้นอยู่แล้วครับ อันนี้มันอยู่ในทฤษฎีไม่อยู่ในอะไรสุดแท้นะแต่ว่าเมื่อใดความรู้สึกที่ดีงามปรากฏหรือพูดได้สั้นหน่อยนะเมื่อใจมันดีขึ้นนะครับที่เรียกใจดีนะครับแต่ดมูมังค่า ม, มันราคามันก็เมินเป็นดอลลาร์ไม่ได้แต่จริงๆนั่นคือตัวแท้เราปรากฏที่แล้วนะเมื่อหน้าแท้ปรากฏในหน้ากากที่ผู้นมือนก็ตกไปนรเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีหลายหน้ามากครับ เราไปนับแสดงที่จะเลี่ยนํายอมหรือถูกบีบให้ต้องทําอย่างนั้นก็ได้นะผมไม่ถือนี่นเป็นภาระที่หนักอึ้งแต่ว่าแล้วถูกพรากจากชีวิตเดิมแค่สมมติว่าตอนเด็กๆจิตใจทุกคนยอมรับเลยครับผมเชื่อทุกคนจะยอมรับ ว, ว่าตอนเด็กๆ เ, เราสบายกว่า น, นี้มากพี่แย่งเงนของบางทีร้องไห้มันแตกบ้างเดี๋ยวก็หายครับมือนภาระาเราไว้ค่อยมากต่อการดํารงอยู่แต่ไม่ช้าไม่นานนะครับ จากภาวะของเด็กน้อยซึ่งเราก็เป็นสมาชิกถาวรในสูงสวรรค์ผมใช้วหาหันกบีแล้วนะครับเล่นน้ําวิ่งไล่กันขี้ดินเลยนะสนุกมือก็อยู่ในวิมานนะทั้งหมนะเมื่อเช้ามาเราถูกพรากจากความเป็นเด็กน้อยน้อยปัญหานะครับมาเป็นพลเมืองภาวะเป็นพลเมืองนะี่เจ็บปวดมากเลยเพราะต้องเรียนรู้สมมุติ คุณท ม, มคุณต้องได้ปรนญญา ค, คุณต้องมีเงินคุณต้องมีเคิียดพ่อแม่โมงก็เอากันใหญ่เลยในสุดเด็กก็นั้นก็เอาใจแหลกสลายลยครับความสุขที่ไหนไมันจะมีได้ดังนั้นธรรมะเนี่ไม่ใช่อะไรอื่นนะกลับบ้านครับอาจารย์ลุหนึ่งตอบคำถามต่อสิบเซนว่าเปลี่ยนมันเอาจิตไปหาจิต ขี่ควายไปหาควายทีนี้มาถาวรถ้าเจอควายแล้วก็คิดคิด ค, ควายกลับบ้านอาจารยก็ต่าก็คิดควายกลับบ้านซึ่งกลับไปสู่ภาวะบริสุทธิ์ดั้งเดิมซึ่งพร้อมเต็มที่อยู่ที่จะปรากฏตัวแต่เราดื้อครับมีข้อเท็จจริงนึนนงว่าเรารู้ว่าตรบใดเชือกที่ล่ามขายังไม่ตึงจุดกีดกูจะไม่ถอยตรนี้เป็นปัญหาที่ต่อให้เจ้าพระเจ้าก็ถอยไม่ได้ครับ กามเนี่ยใครบ้างที่ยอมเสียขลารับมันเป็นคู่ขวัญเป็นสิ่งที่อะไรอรอยที่สุ ด, ดบนหัวหน้ํานมนอีกถัดมาเบื่อกามไปชดด้วความสงบในชานเข้าวนี่ร้ายก็เอ็นร้ายที่เท่ามันจะไม่ถอยมันจะดันมัน้องหน้าเรื่อยๆครับผมคิดว่าภาวะที่เราถูกกระทําให้เป็นคนดื้อรั้นอันนี้นะฮะเราต้องรับผลตอบแทนที่ ที่ให้บทเรียนจงกระทั่งเรารู้สึกขึ้นมาทั้งชาติผมอยากจะพูดอย่างนี้นะอย่าคิดนะครับว่าคนกนผมผมเหลืองแล้วเขากลับใจไม่นี่ครับยังไม่ได้กลับเพียงแต่หัวถูกกลั่นนั่นเองครับขอโทษนะครับผมก็ได้ฟาดพิงตาหนิพระนะะคือผมอยากชี้เห็นว่าสมมติที่ที่จะปรากฏขึ้นนี่นะฮะมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะฮะศาสนาธรรมจึงิ่งใหญ่นดนเหตุปัจจุันนี้ครับ พระพุทธเจ้าจึองอยู่ในความทรงจําชาวโลกนานเป็นพันๆปีด้วยเหตผลที่ว่ามีโคตรที่จริงยอมรับอยู่พระองค์ไม่ได้ประดิษฐ์ปรัชญาสกุลใหม่ที่มาสอนกฎข้าจานนี้นะครัท่านบอกว่าทางหลุดรอดมีพร้อมอยู่แล้วถ้าไม่มีมนุษย์จะไม่มีความหวังเลยทางหลุดรอดนี้คือทางธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแต่เราไม่เอาท่านั้นเองครับสมมุติเราเวลาเราเกิดอารมณ์ที่ไม่ปรัชนาเราโกรธ ถ้าเราไม่ต้องการมันจะดับเดียวนั้นหลยครับแต่แล้วเราไม่ใช่อย่างนั้นครับเราปลอบตัวเองด้วยธรรมะต้องเมตตาแนละ้ว ไ, ไฟลุกไปใหม่แล้วครับล้วโกรธครั้งแล้วครั้งเล่าหัวใจเราไม่ปองอย่าเร า, าเนื้อด้านไปแล้วครับเราไม่ไต้องระวังดังนั้นสิ่งที่ผมแนะนําได้ก็คือก็ทําให้ตัวชีวิตจิตใจอต่างๆ น, น, นะครับ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 แต่เหมือนเราเราแบ่งรับแบ่งสู้ครับเออห น, นึ่งเราอยากจะตามหลังพระเจ้าไปด้วยเออห น, นึ่งเราอยากจะยุ่งกับกรรมด้วยเราอยากจะได้ของด้วยได้เงินด้วยแล้วเราเล่นฝักใฝ่นี่ตลอดเวลาดังนั้นไม่มีคําตอบเลยครับแเราจะถามว่ามิติชีวิตที่ลุ่มลึกที่สุดเราเป็นอะไรในทากลางความสับสนครับตออีกทีหนึ่งก็คือเราไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่เราคิดนะครับชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยมันเป็นของมันครับเหมือนกับน้ำหรือคืนน้า เราจะให้สูตรให้เูตาว่า H2O มันไม่เคยเปลี่ยนนะครับเราอย่างว่า์เหมือนก็อันนั้นเลยครับทีนี่ชีวิตเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่ดั้งเดิมนะครับถ้ามันไม่เป็นธรรมชาติชีวิตจะเป็นสิ่งแปลกลอมที่น่าอนาถที่สุดครับแล้วดี๋นี้ความน่าอนาถนันแพร่สะพัดไปทั่วเมืองแล้วนะก็เ ร, ะเราห่าเงเหินในธรรมชาติครับไม่ว่าผังเมืองกด็ดีหรือโอกาสที่คนชาวต่างชาจะเห็น เดือนแจ้งเดืนหงายดาวเด่นฟ้าแทบไม่มีเลยครับมันมีดาวปลอมผมงมืม่ยหมายดาวเทียงเนะี่ไปฟ้องไ ป, ปฟ้าฝุ่นละอองจับหมดดังนั้นเรากําลังถูกทําลายถูกทำลายอยู่กัตลอดเวลาจนกว่าบุตริดาของชีวิตรุ่นใหม่จะแหวกวงล้อมจนกว่าจะมีทัศนวิสัยใหม่จนกว่ า, จ ะ, า, ว จ, วาจะมีมโนโกติหรื อ, อจินตนาการบนฐานของความรักสิ่งแวดล้อมความเป็นธรรม จนกว่าสิ่งนี้จะเรืองรองขึ้นมานะครับชีวิตจึงมีความหวังขึ้นโดยทั่วไปแล้วเรารู้สึกกันแทบทุกคนนะครับว่าเราท้อเราเบื่อละอ้อแต่เราจมยอมแล้วมันก็จะทํายังไงกับสิ่งนี้ใช่ไหมครับจริงชื่อเรื่องนั้นคิดขึ้นพอให้เป็นที่ตั้งการสนทนาเท่านั้นครับคิดว่าเวลารุงเรือมามากแล้วครับมีอากาศเคล่อนพบกันมีครับ